มพสมแผนที่สิบแปดมีคติธรรมหัวข้อว่าให้พวกเรามั่นใจเธอว่ามรรคผลนิพพานอย่างคงเช่นคงวาถ้าวาพวกเรายังมุ่งมั่นปฏิบัติตามนัดทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยสม่ำเสมอเพราะเหตุไรหลักถานยืนยันในยก ป, ปัจจุบันก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น แล้วกัทุกสิทธิ์ขององค์หลวงปู่ที่เป็นพระเทยระมหาเทยระที่ท่านรวมรับไปพวกเราได้ประชมเพลิงท่านจากนั้นไม่นานปฏิท่าของพระมหาเทระเหล่านั้นได้กลายเป็นประทาดให้พวกเราได้เห็นก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้าว่ายังมีผู้ปฏิบัติคงเส้นคงวา ตลอดมามรดผลนิพานก็จะไม่ว่างเบ้นในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ถ้าว่าคนขาดความเชื่อขาดความเคารพนับถือเรื่องสายไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาหรือประทังคำสั่งสอนหรือมรดกอนิพานก็จะจบในยุคนั้นสมัยนั้นเวลานั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้มั่นใจเกิดว่าถ้าว่าพวกเรายังปฏิบัติ คำนักคำคำสงสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มรรคผลนิพพานรอคอยพวกเราอยู่พวกเราจะต้องได้รับความสุขความเย็นใจดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไปแล้วแล้วก็มีหลักฐานยืนยันอย่างที่ ไ, ได้กล่าวเพราะฉะนั้นเปี่มทีสามแผ่นนี้จะไม่อธิบายหรือบรรยายมากก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้รับเปีมีสามของ หลวงพ่อไปแล้วก็ขอให้ท่านตั้งใจฟังฟังด้วยความตั้งใจในขณะที่ฟังอย่าไปคุยกันอย่าไปฟังด้วยความไม่สนใจถ้าหากว่าในช่วงไหนไม่มีเวลาให้หยุดซะก่อนในเมื่อมีเวลาแล้วก็คอยฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความวินิยยามตีสทั้งหมดทุกแผ่นจะเกิดประโยชน์สาหรับพวกเราท่าทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟัง โดยอำนาจคุณภาษีรัตนไตรประพุทธยาประธรรมผส์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มาราถนา